หัวใจของการปฏิบัติธรรมนี้อยู่ที่การทำความเพียรการทำความเพียรก็คือการเจริญสติเนี่เองนี่เป็นหัวใจสำคัญหรือหลักของการบำเพ็ญความเพียรหลักของการปฏิบัติธรรม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 การบำเพ็ญในขั้นต้นจึงจาเป็นต้องบำเพ็ญส ม, มะถะภาวนาก่อนอังที่ส่งแสดงไว้ในมรรคศีล ส, สมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาภาวนาก็มีสองระดับส ม, มะถภาวนาก็คือสมาธิแล้วค่อยไปวิปัสนาภาวนาคือการเจริญปัญญา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 ผู้ที่ทําให้มันดื้อรัน้นเกเรทะเลถลายนั้นได้ถูกอานาจของสมาธิกดเอาไว้หรือปราบตัดกําลังของผู้ที่จะทําให้จิตใจนี้ดื้อรัน้นเกเรทะเลทถลายก็คือกิเลสตันหาต่างๆนี้เองเวลาใจเข้าสู่ความสงบแล้วกิเรตันหาก็จะ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 ทำต่างๆอยู่ได้สักระยะหนึ่งแล้วพอเริ่มทะเลทลายออกนอกลู่นอกทางไปก็ต้องหยุดการพิจารณาไว้ชั่วคราวแล้วกลับเข้าไปสู่สมถภาวนากลับไปสู่การทําใจให้สงบเพื่อที่จะได้ตัดกําลังของกิเลสตันหาที่จะดึงใจให้ทะเลทลาย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 พอเวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอริจังทุกขังอนาตาก็ไม่รู้หายไปไหนนึกไม่ออกคิดไม่ถึงกว่าจะคิดถึงได้ก็อาจจะนู่นทุกไปหลายชั่วโมงแล้วใจเครียดไปหลายชั่วโมงแล้วบางทีคิดไม่ได้เองต้องไปหาครูหาอาจารย์ค่ให้เตือนว่าก็ให้พิจารณาตายรักษเสพิจารณาอริจังทุกขังอนาตตา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 จะไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจะไม่คิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวตัวตนตัวของไข่จะเห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นเพียงอาการสามสิบสองผมขนด้วยฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นแล้วมันก็จะสลายออกไปกายไปดินน่ะกายไปเป็นดินน้ำลมไสเวลาคนตายนี่เขาเผาแล้วเหลืออะไร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 มีเกิดแล้วต้องมีดับไปทั้งนั้นมีราบก็ต้องมีเสือ่อมราบมียศก็ต้องเสือ่อมยศมีสรรเสริญก็ต้องมีนินทาสลับกันไปมีสรรเสอิญสรรเสริญพอเสื่อมจากสรรเสริญก็ไปเจอนินทาเขา้าไปเจอนินทาเขา้ามันเสื่อมจากนินทามันก็กลับมาสู่สรรเสริญอีกมันก็กลับไปกลับมาอย่างนี้แหละราบยศเกิด เจริญแล้วก็เสื่อมเสื่อมแล้วก็เจริญสัลระเสริญนินทามันก็สลับกันไปสลับกันมาสุขทุกข์ทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็สลับกันไปสลับกันมาเวลาได้สัมผัสกั บ, กบรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะที่ถูกใจก็เกิดความสุขขึ้นมาเวลาสูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะที่ถูกใจไปก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็ได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 ก็กลายเป็นคนบ้าไปได้ถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาไว้คอยเตือนใจคอยสอนใจให้รู้ทันกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นมานชีวิตของพวกเรานี้จะต้องเจอกับโลกธรรม8ก็คือการเจริญและการเสื่อมของลาบยศสารเสริญสุขนี้เองเป็นธรรมสี่คู่โลกธรรม8ก็คือ การเจริญราบเสื่อมราบ1คู่การเจริญยศเสื่อมยศ1คู่งคูก่การพบกับสรรเสเอินนินทา1คู่การพบกับความสุขความทุกข์1คู่นี่คือเป็นธรรม8ปประการด้วยกันหรือ4คู่นี้ที่เรียกว่าโลกกรรมแปดไม่ว่าใครก็ตามที่มาเกิดในโลกนี้จะต้องสัมผัส โลกกระทแปดนี้ด้วยกันทุกคนมีคนที่สัมผัสอยู่สองแบบด้วยกันคือสัมผัสแบบหลงก็คือเป็นบ้าไปกับการเจริญและการเสื่อมดูเวลาคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเป็นยังไงเป็นบ้าไปเลยดีอกดีใจซะเป็นบ้าไปใช้เงินใช้ทองแบบไม่มีเหตุไม่มีผล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 พอเวลาพบกับความเสื่อมก็เลยต้องทุกข์กับมันแต่ถ้าเรายินดีทั้งกับการจเจริญทั้งถับการเสื่อมเวลาจเจริญเราก็จะมีความสุขเวลาเสื่อมเราก็จะมีความสุขเพราะเรามีความยินดีเท่ากันเราให้ความเสมอภาคกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่เลือกที่รักไม่ไม่เลือกที่รั ก, ม, ม, ม, ก, รกมักที่ชังมาอย่างไหนก็รับได้ เสื่อมราบกรลับได้เจริญราบเจริญราบกระลับได้เสื่อมยศกรลับได้เจริญยศกรลับได้สรรเสริญกรลับได้นินทาก็รลับได้สุขกรลับได้ทุกกรลับได้นี่คือใจของพระพุทธเจ้าโลกวิทูใจของพระอรหันตสาวกท่านปฏิบัติเพื่อให้มาถึงจุดนี้เองมาถึงจุดที่รับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้ได้หมดไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลง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 เพราะค้าศึกศัตรูนี่เขาทำงานตลอดเวลาคือกิเลสตัณหาในใจของพวกเรานี่ททำงานตลอดเวลาพอตื่นขึ้นมาก็เริ่มทำงานเลยตื่นขึ้นมาก็เกิดความอยากอยากทำนู่นอยากทำนี่บางทีก็อยากเข้าห้องน้ำก่อนตื่นขึ้นมาอยากแล้วเข้าห้องน้ำเสร็จก็อยากจะดื่มน้ำต่อดื่มน้ำเสร็จก็อยากจะรับประทานขนมต่อ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 ยาไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องของความอยากต่างๆเลยเกิดมาก็พุโทโธเลยพอมันอยากวักเราก็พุโทโธสวนไปเลยพุโทโธพุโทโธไปอยังไม่ถึงเวลากินพุโทโธพุโทโธไปยังไม่ถึงเวลาดื่มพุโทโธพุโทโธไปเอเราต้องใช้สติสกัดกั้นข้าศึกศัตรูถึงจะเรียกว่าเป็นการทําความเพียรถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เจริญสตินี่เราจะไม่มีการ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 มาเตภวัตวันตารายุสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนสีลิศนิจังวุทธาปจายโนจตารโรธรมมวาทานติอายุวันโอสุขังภลลาง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 มันก็อันเดียวกันนี่โรดก็คือการดับทุกเวลาจิตรวมสงบกิเลสไม่ทํางานทุกก็ไม่เกิดมันก็นิโรธเวลาจิตสงบมันก็เป็นอุเบกขาแล้วมันตัวเดียวกันมันถึงจุดนั้นแล้วมันก็เหมือนกินข้าวอิ่มอิ่มแล้วก็สบายอยากจะนอนอย่างเดียวไม่อยากจะทําอะไรจะถามว่าตัวไหนเป็นตัวไหนมันก็ตัวเดียวกันนะใช่ไหม เวลาหิวก็นอนไม่หลับใช่ไหมแต่เวลาอิ่มนี่มันก็อยากจะนอนมันไม่อยากจะทําอะไรมันสบายมันมีความสุขเวลาจิตสงบมันก็นมโรดทุกข์ก็ไม่มีมันมีแต่อุเบกขาสักตะวารู้เฉยๆงั้นมันเป็นตัวเดียวกันถ้าปฏิบัติได้เห็นได้ได้เห็นผลแล้วมันก็จะเข้าใจที่ฐานนี้ก็แสดงว่ายังไม่ได้เห็นผล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 พอไปถึงอเมริกาแล้วมันไม่มันก็จะเห็นเองว่าอเมริกาเป็นอย่างไรไม่ต้องไปถามให้เสียเวลาคนจะถามว่าไปอเมริกาอย่างไรดีกว่าไปอเมริกาก็ต้องทำพาสปอร์ตวีซา่าซื้อตั๋วเครื่องบินนีงั้นเวลาอยากจะเห็นผลอยากจะรู้ผลก็ควรจะศึกษาเหตุดีกว่าว่าทำไงถึงจะได้เหตุอ น, นั้น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 ดังนั้นควรที่จะให้ความสนใจต่อเหตุมากกว่าผลผลก็พอทราบเพียงคร่าวๆก็พอขอให้รู้ว่าผลมันจะเป็นอย่างนี้แต่มันจะเป็นแบบไหนละเอียดละออขนาดไหนนี่ต้องอยู่ที่การประสบด้วยตนเองนี่ขอให้พวกเราพยายามสร้างเหตุให้มากอย่างวันนี้ก็พูดเนี่ยเหตุที่สำคัญที่สุดก็คือการเจริญสติถามอีกไห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 ท่านถึงพูดว่าคนทาดีนี้ทำชั่วได้ยากคนชั่วนี้ทาดีได้ยากเพราะเขาจะทำไปตามที่เขาได้ทำมาคนชั่วจะชอบทำความชั่วคนดีจะชอบทำความดีคำถามต่อไปจากคุณวิไลกจหากเราเป็นแม่ชอบศึกษาแนวทางตามวัดป่า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 ใจของเราก็จะไม่ไหลไปกับกระแสะของความคิดปรุงแต่งงั้นขอให้เราฝึกเจริญสติอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปใจเราจะจะนิ่งจะแน่นจะไม่ลอยไปลอยมาคำถามต่อไปจากคุณชัยพึกใจคนเราไม่เคยแก่เป็นอย่างไรครับถึงแม้ตัวแก่แล้วเกี่ยวอย่างไรกับสัจธรรมครับ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 ด้วยสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาใจของเราก็จะสะอาดขึ้นไปตามลำดับจนกลายเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอาลหลันตสาวกทั้งหลายเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์น่ันใจไม่ไม่ได้แก่เหมือนร่างกายร่างกายแก่ใจก็ยังเหมือนตอนที่เกิด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 ใจไม่เดือดร้อนท่านถึงสอนอยู่เรื่อยว่าต้องมีปัญญาก่อนต้องมีสมาธิก่อนถึงค่อยออกทางปัญญาถ้าไม่เช่นนั้นเรามันก็จะเป็นอย่างนี้พิจารณาปัญญาแล้วแทนที่จะจิตจะมีความสุขกลับจะเกิดความหดหู่อิดหนาละอาใจละอาใจเบื่อหน่ายขึ้นมาได้เพราะทำข้ามขั้นตอนต้องมีสมาธิก่อนสมาธินี่สำคัญมากหลวงปู่มั่นสอนหลวงตามหาบัว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 หนีจากความเจ็บนั่นไปถ้าเกาะติดอยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธหรือเกาะติดอยู่กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งได้โดยที่ไม่ไปสนใจกับความเจ็บความเจ็บมันจะไม่มารบกวนใจความเครียดที่มีอยู่ในใจก็จะหายไปเพราะใจไม่สามารถผลิตความอยากให้ความเจ็บนั้นหายไปได้อันนี้เป็นการผ่านทุกขเวทนาด้วยการใช้สติ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 เพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ